ชาวพุทธเขาต้องมีหน้าที่อันแรกเลยหน้าที่ศึกษาปฏิบัติให้รู้เรื่องฝึกตนให้ดีฝึกตนดีแล้วก็ช่วยผู้อื่นเท่าที่ช่วยได้คนเผยแพร่ธรรมะมีเยอะแยะนะทุกวันนี้แต่ว่ามันรูปรู ป, รปคลำคลาซะเยอะเียวส่วนมากจะไปติดในรูปแบบอันใดอันหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเสียหายมากะนะแต่ว่าภรรนายาก นิสัยใจคอคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไปเรียนกรรมฐานจากอาจารย์ที่ท่านสอนว่าให้ทําตามรูปแบบอย่างเนี้ยรูปแบบมันต้องขึ้นอยู่กับจริตนิสัยถ้าเราจริตนิสัยเหมือนอาจารย์อาจารย์สอนอย่างนั้นก็ทําได้ถ้าจริตนิสัยไม่เหมือนกันทำไงก็ไม่สําเร็จเรื่องการปฏิบัติทําให้ตรงกับจริตนิสัยนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดเลยคนที่เก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ ว่าควรจะสอนใครนะเมื่อไหร่สอนว่ายังไงสอนแล้วจะมีผลเป็นยังไงนท่านรู้ล่วงหน้าเลยท่านเก่งขนาดนั้นหลวงพู่ดูลท่านก็เก่งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเทียบกับพระพุทธเจ้าหรอกไม่มีใครเทียบได้หรอกแล้วสาวกด้วยกันเนีย่ยหลวงพ่อเห็นหลวงพู่ดูลเนี่ยสอนธรรมะได้แปลกท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเงื้นจะมาถามว่าหลวงพู่ดูลสอนอะไรถ้าพูดมักง่ายก็บอกสอนดูจิตสอนอย่างน้อนสอนอย่างนี้ บางคนก็ว่าหลวงปู่ดูลสอนให้ทําจิตให้ว่างๆสอนไม่สอนเหมือนกันแต่ว่าท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันธรรมะมีสูงมีต่ำํำมีระดับคนที่ยังไม่มีสมถะเลยท่านก็สอนให้มีสมถะขึ้นมาคนที่จิตยังไม่ตั้งมัน่นท่านก็สอนให้จิตตั้งมัน่นคนที่จิตตั้งมั่นแล้วท่านก็สอนให้เจริญปัญญาบางคนก็ดูกายบางคนก็ดูจิตไม่เหมือนกันหรอก สุดท้ายนะไม่ว่าปฏิบัติวิธีไหนสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตอันเดียวนี้เงินถ้าจะตอบว่าหลวงปู่สอนอะไร น, นะต้องตอบกว้างมากเลยท่านสอนไม่หลากหลายรูปแบบพี่สอนแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวยกตัวอย่างท่านเคยสอนหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนเขาเป็นพระเก่งองหนึ่งสิ้นไปนานแล้วสอนหลวงพ่อคืนให้พิจารณาผมเส้นเดียวเนี่ยกรรมฐานแบบนี้ก็มีนะ ให้ดูผมเส้นเดียวนะห้ามสองเส้นนะหลวงพ่อคืนฟังแล้วเสียใจทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นเยอะเยอะเลยนะสอนพิจารณาร่างกายทั้งตัวเลยของท่านให้ดูผมเส้นเดียวเสียใจรู้สึกน้อยเกินไม่เอาแล้วไปภาวนาอยู่วัดหินมะเป้งตลอดพรรษาเลยไม่ได้อะไรเลยพยายามทำอย่างน้นพยายามทำอย่างนี้เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เผาร่างกายก็ไปเผาไง พิจารณาร่างกายไฟเผาเขาก็มันกไม่ไหม้นะเกลี่ยๆไม่ถึงก็ไหม้ทำไงมันก็ไม่สาเร็จเจอท่านกลับมาสุริอนออกพรรษาแล้วกลับมาตอนนั้นท่านยังไม่บวชกลับไปอยู่บ้านก็ท้อแท้ใจนะเรื่องภาวนาก็าทำตั้งเยอะไม่สาเร็จหรอกแล้วนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่โดนให้ดูผมเส้นเดียววันนั้นเอาดูผมเส้นเดียวกาหนดจิตไปดูที่ผม ผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้พิจารณาผมอยู่เส้นเดียวจิตรวมเลยจิตรวมเข้าสมาธิเลยการดูผมนะั้นมันก็คือการเพ่งกสินนั่นเองการไปดูสีของมันก็เป็นกสินสีตัวรูปร่างของผมนั้นเป็นกสินดินเห็นตัวเส้นผมพรากฏว่าจากจุดเล็กๆเกนี่ยจิตรวมนะแล้วเดินปัญญาต่อไปได้เลยเงี้ยถ้าหลวงพ่อคืนไม่ฉลาดแต่นี้ท่านฉลาดนะ ถ้าท่านไม่ฉลาดเนี่ยเจอใครท่านก็จะสอนให้ดูผมเส้นเดียวแล้วไม่มีใครทําได้หรอกนั่นกรรมฐานเนี่ยมันหลากหลายมหาศาลเลยทางใครทางมันแต่หลักการนั้นต้องถูกต้องหลักการต้องไม่ริ้งจากหลักที่พระพุทธเจ้าสอนหลักของสมถะก็มีนิดเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขยอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสจะทํากรรมฐาน40วิธีมันก็ลงอยู่ในหลักอันนี้ได้หมด เนี่ยหลวงพ่อยอ่อหลักจากการปฏิบัติจํานวนมหาศาลยอ่อลงมาเหลือนิดเดียวเหลือประโยคเดียวเท่านี้น้ำจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเนีถ้าจะเจริญปัญญาก็ยอ่อลงมาเหลือประโยคเดียวให้มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเมื่อธรรมาย่อเยอะๆๆยอ่อลงมาเหลือประโยคเดียวเท่านี้จากหนึ่งประโยคนะขยายความออกไปกว้างขวางเทศเป็นวันๆก็ไม่จบนะ ให้มีสติทำไงจะมีสติเป็นยังไงทําไงสติจะเกิดเนี่ยสติทําหน้าที่อะไรสติทําหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงให้รู้รู้เป็นยังไงรู้ไม่ใช่เพลงรู้ไม่ใช่คิดรู้อะไรรู้รูปรู้นามรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงตามความเป็นจริงคือเป็นอะไรคือเป็นไตรลักษณ์ต้องรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นต่างกันยังไงแล้วเป็นกลางด้วยจิตที่เป็นกลางเป็นยังไงจิตที่ไม่เป็นกลางเป็นไง แม้แต่ละจุดแต่ละจุดันขยายความออกไปได้มหาศาลเลยเยอะแยะมากเลยแต่ย่อลงมาแล้วก็มีหลักการอยู่นิดเดียวเท่านเองเราจับหลักให้แม่นเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนพูดเราก็รู้ ว, ว่าท่านสอนอะไรถ้าไม่มีหลักเลยจะงงเข้าวัดนี้สอนอย่างนี้เข้าวัดนี้สอนอย่างนี้สอนไม่เหมือนกันสักวัดหนึง่งมันจะเหมือนได้ไงสัมมวนโมหารไม่เหมือนกันนะอย่างหมอจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันแท้ๆนะรุ่นเดียวกันแท้ๆเวลารักษาโรคมันยังได้ไม่เหมือนกันเลย มันเป็นงานศิละปะขนาดรักษาโรคนะยังเรียกประกอบโลกศิละปะงานสอนกรรมฐานก็ ง, งานศิละปะเรื่องเฉพาะตัวแต่สังเกตให้ดีหลวงพ่อจะไม่สอนให้พวกเราว่ามีรูปแบบอันเดียวนะทุกคนต้องดูจิตถ้าทําสมถะทุกคนต้องทําอนาปนาสติจเจริญปัญญาต้องดูจิตเท่านั้นไม่เคยสอนเลยทั้งๆ ท, ที่หลวงพ่อทํามาแบบนั้นหลวงพ่อทําสมถะด้วยอนาปนาสติจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเป็นเบื้องต้น สุดท้ายมันจะเข้ามาสู่ธรรมานุปัสสนาทุกคนะไม่ว่าดูอะไรนะสุดท้ายมันจะลงมาที่อริยสัตว์เท่านั้นนแต่จุดตั้งต้นแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทางใครทางมันนะแต่อยู่ในทางเดียวกันแต่คนละทางกันพูดแล้วเหมือนสัมนวนโมหานมากความจริงเป็นอย่างนั้นทางมีทางเดียวเรียกว่าเอกกายนามัคนะทางของพระพุทธเจ้านี้มีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นนะแต่ละคนนะมีวิธีการที่แตกต่างกัน เหมือนอย่างเราจะขึ้นภูเขาหนึ่งลูกพระพุทธเจ้าเขาจะสอนมาว่าต้องขึ้นภูเขาให้ถึงจุดสุดยอดเลยนะสอนอย่างนี้สอนหลักการว่าต้องขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปลงนะอย่าลงเหวไปขึ้นภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆส่วนใครจะขึ้นทางทิศไหนมันอยู่ที่ความถนัดบางคนชอบเอาสบายยอดเขานี่มีถนนขึ้นถึงนี่นั่งรถขึ้นไปเลยนะขึ้นอย่างนี้ก็ได้บางคนก็ชอบปีนเขาเดินขึ้นไปนะไม่มีรถจะนั่งก็เดินขึ้นไป ทางลาบลาบหนึ่งก็มีอีกพวกหนึ่งทางลาบลาบเดินแล้วไม่มันต้องปีนหน้าผาขึ้นไปนก็ขึ้นได้เหมือนกันนะทิศทางต่างๆนี่มันก็ท่านย่ อ, อมาเป็นสี่ทิศทางใหญ่ๆสีทิศทางหลักๆเรียกว่าสติปัฏฐานสีก็เหมือนสีทิศเลยเราจะขึ้นเขาในทิศไหนมันก็ขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเงั้นถึงบอกว่าทางใครทางมันทางอีสานนะก็ต้อนนั้นไปหา ครูบาอจารยองหนึ่งเป็นแม่ชีชื่อคุณแม่น้อยแม่ชีพิมพาอยู่วัดยินมักเป้งสิ้นไปแล้วทั้งนี้แม่น้อยท่านก็ท่องกรอนของอีสานให้ฟังนะท่านบอกคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอย่างเงี้ยคนหลายคนนะกินน้ําบ่อเดียวกันแต่ตอนที่เดินไปที่บ่อน้ำเนี้ยนะไม่เหยียบรอยกันทางใครทางมันนะ เดินทางเดียวกันนะแต่มันไม่เ ห, ind, ห, หยียบลอยกันหรอกทางกครทางมันทางเดียวนะั้นทางเอกยานมรรคไปสู่จุดหมายอันเดียวไป็นบ่อน้าอันเดียวคือพระนิพพานแต่เวลาเดินนะั้นทางกครทางมันทางกายทางมันบางคนก็ดูกายบางคนก็เวทนาบางคนก็จิตบางคนก็ทำแล้วแต่ว่าสะดวกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้สมาธินําปัญญาบางคนใช้ปัญญานําสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างหลวงพ่อทําสมาธิตั้งแต่เด็กหายใจทําสมาทานะพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดอยูนะ่ก่อนจะไปเจอหลวงปู่ดูลินก็อ่านหนังสืออะไรนะก็ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็จะชอบพูดเรื่องพุโทโธพิจารณาไกยเมื่อลองพิจารณากกายนะดูนานทีเดียวก็แตกหมดละก็สมาธิมันมากเนละแตกสลายตัวไปหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวเราไปต่อไม่เป็นนะ ตั้งแต่นั้นมานะการดูกายสําหรับหลวงพ่อเนะีเป็นเรื่องที่จืดชืดที่สุดเลยรู้สึกไม่มีอะไรเลยไม่สนใจใจไม่เอาเลยไปเจอหลวงปู่ดุลไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็หลับตาไปเกือบชั่วโมงสอบประวัติเราลืมตาขึ้นมาสอนการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่ปีนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเอง ลูกศิหลวงปู่บางคนท่านก็สอนอย่างสอนหลวงพ่อสุจินนะสลายกายเข้าสู่จิตอะไรเงี้ยแต่และคนท่านสอนไม่เหมือนกันบางคนก็ดูตายไปก่อนบางคนแยกธาตุแยกขันธ์แต่และคนไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองนะจริตนิสัยเราเหมา ะ, ะกับกรรมฐานอะไรทํากรรมฐานอันนั้นเราจะไม่ต้องไปเถียงกันนะว่าสายไหนดีกว่าสายไหน สายไหนที่เหมอะกับจริตเราดีทั้งนั้นแหละสายไหนที่ไม่หมอะกับจริตเรานะถึงอาจารย์ท่านจะดีแค่ไหนนะอาจารย์อาจาจะเป็นครว่าต์ก็ได้เก่งแค่ไหนก็ตามฉริตไม่เหมือนเราแนละ้ววิธีของท่านเราใช้ไม่ได้งันวิธีการนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวหลักการเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าต้องแม่นนะหลักต้องแม่นแล้วก็ไปดูเอาเราเหมาะกับอะไรก็ทํามันนั้นแหละเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้สิทธิผู้อยู่วัดก่อนก็ <c oughs> รู้สึกว่าห่างหลวงพ่อไปหน่อยตอนนี้ต้องการกำชี้แนะแล้วก็รู้สึกกิเลสเยอะมากแล้วก็กิเลสเยอะไม่ใช่ปัญหานะยึดถือตัวตนยึดติดอะไรมีมากมายแล้วเกินรู้สึกบางทีก็ท้อแท้เหมือนกันว่าจะปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนานะเหมือนเรามีขันสักใบหนึ่งนะสนิมขึ้นเยอะเลยเราอย่าหมดแต่ท้อว่าสนิมเยอะนะ ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมก็สะอาดเองจิตเราแต่ละคนนั้นสกปรกมาแมนทุกคนแหละคนหมอไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรอกนะแต่ว่ารู้วิธีที่จะจัดการกับมันทําไงกิเลส ท, ที่มีอยู่แล้วจะดับไปทําไงกิเลสใหม่จะไม่เกิดทําไงกุศลที่ไม่มีนะจะมีขึ้นมาทําไงกุศลที่มีแล้วจะเจริญขึ้นมาหน้าที่เราก็เดินอยู่อย่างนี้เองนี่แหละเรียกว่ามีความเพียนชอบ ความเพี่ยนชอบก็คือเนี่ยเลี่ยละกิเลสที่มีแล้วเพียนปิดกั้นกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดเพียนเจริญกุศลให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วก็ให้รักษาให้เจริญงอกงามเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยเครื่องมือคือสติสมาธินะใช้สติกับสมาธิเป็นเครื่องมือผลที่ได้คือตัวปัญญาปัญญาจะเป็นตัวล้างกิเลสงันเราก็เคยรู้สึกตัวนะเราไม่มโหท้อแท้ว่ากิเลสเยอะเรา กิเลสจะมากกิเลสจะน้อยไม่สําคัญนะแต่คุณหมอสังเกตไหมกิเลส ท, ที่ปรากฏเฉพาะหน้ามันก็มีอยู่เท่านั้นเองมันไม่ใช่มาทีเดียวร้อยตัวอย่างกิเลสอย่างราคากะกับโทสะไม่เคยมาพร้อมกันเลยนะไม่ถูกกันด้วยที่ใดมีราคะที่นั้นไม่มีโทสะที่ใดมีโทสะที่นั้นไม่มีราคานะแต่โมหานี่เป็นพ่อแม่กิเลสนะใครเขาเกิดกิเลสตรงไหนนะโมหะแทรกทุกที่เลยแม้นะกิเลสถึงจะมีมากก็ตามแต่มันปรากฏต่อหน้าเราก็ทีละตัวสงตัวเท่านั้นเอง แล้วก็พออาศัยสติเนี่แหละคอยรู้มันไปมีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดกิเลสอย่าไปเกลียดกิเลสอย่าไปหาทางละมันให้รู้มันอย่างที่มันเป็นไปเราก็จะเห็นว่ากิเลสเกิดได้แล้วกิเลสก็ดับของมันเองกิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสมดเหตุกิเลสก็ดับดูไปเรื่อยนะปัญญามันก็พอกพูนด้วยสุดท้ายมันก็แจ้งขึ้นมามันก็ล้างกิเลสเร็ดขาดลงไป การล้างกิเลสทําได้หลายแบบล้างด้วยสติก็ได้ล้างด้วยสมาธิก็ได้ล้างด้วยปัญญาก็ได้นะล้างด้วยสติอย่างพอมีกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสก็ดับแต่ว่าดับชั่วคราวเดี๋ยวมาใหม่ล้างด้วยสมาธินะมีราคะและมีโทสะอะไรขึ้นมานั่งสมาธิจิตรวมลงไปในระหว่างนั้นกิเลสห ย, ยาบๆพวกนี้ไม่มีมีแต่กิเลสละเอียดหรือราคะละเอียดกับโมหะละเอียดนะกิเลสห ย, ยาบๆก็ถูกข่มลงด้วยอานาจของสมาธิได้ แต่ก็ชั่วคราวชั่วที่เสียงส่งสมาธิอยู่แตการล้างด้วยปัญญานั้นล้างแล้วล้างเลยนะเนื่องปัญญาจะเกิดอาศัยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ทุกวันทุกวันรู้บ่อยๆส่วนเขาจะล้งางเมื่อไหร่เป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธเจ้าเคยสอนพระสูตรอันหนึ่งนะชื่ออา จ, จารย์ิ่กสูตรบอกชาวนามีหน้าที่สอย่าง 1. เวลาฝนตกเราก็ไปไถนาข้อสองไถนาเสร็จแล้วก็ไปหว่านข้าวข้อสา หวานข้าวแล้วก็คอยคุมระดับน้ำไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปถึงเวลาข้าวออกรวงของมันเองพิสูจนทั้งหลายเธอก็มีหน้าที่สอย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเห็นไหมมีจิตสิกขานะมีปัญญาศิกขาเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วนะอริยมรรคจะเกิดเองเงือนไม่ใช่เราเป็นคนล้างนะอาริยมรรคเป็นคนล้างกิเลสเราสั่งอาริยมรรคให้เกิดก็ไม่ได้อริยมรรคเกิดของอริยมรรคเองแต่อริยมรรคก็ไม่เกิดนะถ้าเราไม่พัฒนา มีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหน้าที่เราก็ทําเหตนะุตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนต่อไปศีนาัตโนมัติก็เกิดเพราะารอาศัยสติรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตอาสติรู้ทันกิเลส ก, กิเลสกระดับกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีนาัตโนมัติก็เกิดมีสติรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปนะจิต ท, ที่ไหลไปเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปที่ร่างกายไปรู้สัมผัสที่กายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจ มีสติรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปสมาธิก็ เ, เกิดขึ้นจนกระทั่งมันอัตโนมัติพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติระลึกปั๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเลยนะพอไปปัญญาหนึ่งจะเกิดอาศัยมีสติรู้รูปนามมันทํางานไปจิตเป็นคนดูตั้งมั่นเป็นกลางสุดท้ายปัญญาก็าเกิดขึ้นปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคมันก็จะมีขึ้นมาก็าเดินอย่างนี้แหละคุณหมอไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยนะเพียงแต่ว่าเราทําทุกวันเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่ไม่รีบ มีโลภะด้วยนั่นแหละโลภะมันจะทำให้ลุกดีลุกโกหธด้วยโมหยโมหด้วยมีทุกอยอ๋อ <c oughs> ต้องมีเ็กลัวมันนะค่ะตั้งใจปฏิบัติเค่ะนะสู้เอาคุณหมอวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะปีหนึ่งปีหนึ่งหลวงพ่อครับเมื่อวานเดินจงกรมแล้วเห็นว่าจิตมันหนักตลอดเวลาแล้วก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามันโลภนั่นแหละใช่ค่ะ เือมาเผอิญมันมันอยู่อมันนึกถึงบุญที่เคยทําแล้วมันก็เลยสังเกตเห็นว่าตัวเองเนี่ยมันเหวี่ยงไปไปอยู่ที่ตัวรู้แล้วมันก็ลงมาที่เท้ามันอยากจะเห็นชัดๆอะค่ะมันก็เลยแน่เนี่ยมันโลภอยากมันสร้างภพขึ้นมามันแน่นๆมีตัณหามาสร้างพภพขึ้นมาพวกพวกนักปฏิบัติอะดู ทำกันบ้านเดิมที่หลวงพ่อให้ค่ะว่าดูจิตที่ไหลไรแต่ว่ากันบ้านเนี้ยใช้ทั้งชาติเลยนะก็เออช่วงไหนมีกําลังก็จะเห็นได้เร็วค่ะแต่ส่วนใหญ่จะนุ่มๆจิตไม่ค่อยมีกําลังกันอนะจิตยังไม่มีแรงนะทําในรูปแบบเน่เดินยงกลมไปอะไรไปเบื้องต้นมันจะตึงไปหน่อยตึงไว้ก่อนไม่เป็นไรนะก็รู้ทันว่าตึงเดี๋ยวมันค่อยลดลงมาแล้วพอดีเองต้องทําในรูปแบบนะจิตถึงจะมีแรง นมำสการครับหลวงพ่อครับออตอนนี้ตื่นเต้นครับ <laughs> คือปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนิวัน์อยู่ตัวหนึ่งลบกวนมากเลยครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยฟังทําเทศนาหลวงพ่อเรื่องอุเบกขาบรารมีอะไรเงี้ยคิดว่าคิดว่าไปต่อได้แล้วครับแล้วก็ราย ง, งานผลการปฏิบัติก็คือเมื่อวานนี้ที่มาอยู่ที่วัดวันแรกเนี่ยก็คือเดินช่วงแรกๆก็คิดว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะฮะทำเหมือนอยู่ที่บ้านปรากฏว่าพอดูไปดูมาจริงๆแล้ว รกฏมันรู้สึกว่ามันฟุ้งแล้วมันก็ไหลตลอดเลยฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่บ้านแล้วก็ฟุ้งแล้วก็ไหลเหมือนกันแต่ไม่เห็นครับผมทีนี้พอมาพอมาถึงตอนค่าเนี่ยก็ก็ก็ยังไหลอยู่ก็เลยก็เลยนอนไปเลยนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยมาเดินอีกทีก็มานึกได้นึกถึงหลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าเดินไปแล้วมันไหลขาสติเนี่ยให้ให้หยุดเลยแล้วก็ทําสติขึ้นมาก่อนก็ก็หยุดแล้วก็หายใจแรงๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ ก็เดินก็ดีขึ้นครับ<ม>แล้วตอนนั่งก็คือถ้าขาสติก็คือจะ<ม>หายใจแรงๆแล้วก็<ม>ก็ร<ม>ู้สึกดีขึ้นก็คิดว่าจะนําไปปฏิบัติต่อที่บ้านครับออไปทําต่อนะวัชการหลวงพ่อครับที่ผ่านมาตามที่หลวงพ่อให้รักษาสิ้นห้านะก็รักษาได้ดีขึ้นโอ้หมด น, นานนะหัดนานด้วยแล้วก็สําหรับกิเลสตัวมานะนี่ คลอนคายบางตัวไปแต่บางตัวยังยึดอยู่ใครรู้เอาครับเรายึดมาเมื่อไหร่นะเราก็แน่นแ่นทุกเป็นทุกปล่อยได้ก็สบายสำหรับการปัจจุบันเนื่องจากปัจจัยภายนอกรบกวนมากแล้วก็บ่อยเพราะว่ากำลังปรับปรุงบ้านทั้งหลังกระทบเข้ามาทุกวันต้องไปตามแก้ปัญหาต้องไปดูอะไรพวกนี้ก็ไม่ทราบว่า ในลักษณะภาวะอย่างเงี้ยควรจะทำอย่างไรตนองทนเอาทนอย่างเดียวใช่ทนเอาแล้วก็คอยรู้ทันเาอาโยมจะไปอยากให้มันเสร็จเร็วๆก็มันมีเป้าอยู่เห็นไหมพอมันอยากให้เสร็จเร็วๆนะมันจะทุกข์ต้องมาแบบหลวงพ่อนี่สร้างโบสถ์โตกว่าบ้านโยมอีกนะแต่ว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะไม่เร่งเลยนี่คนสร้างอยู่นี่พอพูดถึงโบสถ์คนสร้างจะเครียดหลวงพ่อยังไม่เครียดเ <c oughs> ลยเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ก็สิ <systems> <S <S> ่งรบกวนเหล่า <ís> น <passengers> ี้คงอีกสักสองเดือนน่าจะพ่อนในชีวิตเรานั้นจะมีเครื่องกระทบแบบเนี้แทบตลอดเวลาเลยหมดเรื่องนี้ก็เรื่องโน้นไม่มีเรื่องอะไรเลยบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเพราะเราจะหวังว่าชีวิตเราจะปลอดปัญหาเนี่ยไม่มีหรอกชีวิตกับปัญหาเนี่ยเป็นของคู่กันตลอดยแต่ว่าปัญหานี้มาแล้วก็รอเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะพ้นไป เราหวังว่าพ้นไปแล้วเราจะสบายปัญหาใหม่มันมาแต่ถ้าเราทําใจนะทําใจได้ยอมรับความจริงได้ตอนนี้ต้องซ่อมบ้านก็ซ่อมไปเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จไม่เสร็จก็ช่างมันช่วยไม่ได้เราไม่ใช่คนทําเองมายถึงใช้สมถะทีท่ทเลยคือคือสังเกตเอาดูใจที่อยากให้มันพ้นพ้นไปให้รู้ทันตอนนี้ ใ, นใจที่มันอยากให้มันเสร็จเสร็จเร็ว แล้วก็เสร็จแล้วหวังเอาไว้ว่าจะไม่มีปัญหาีเราคอยรู้ทันชีวิตของเราอย่างนี้ด้วยต่อไปเราจะสรุปได้เลยว่าชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นเพรา ะ, ะั้นเราจะไปหวังว่าชีวิตปลอดปัญหาแล้วเราถึงจะภาวนาดีเนี่ยไม่มีโอกาสเลยดังนั้นทั้งๆที่มีปัญหาอยู่นี่เราต้องภาวนาให้ได้ทั้งสติสมาธิปัญญาต้องฝึกทุกวันเลยอย่างกังวลใจให้มารู้ว่ากังวล ไม่ใช่หรอกว่าบ้านเส็จหายกังวลแล้วจะมาดูเนาะลงปัจจุบันเลยสู้เลยขอบคุณครับไม่มีทางที่ชีวิตจะปลอดปัญหาไม่เคยมีเลยการสมัครงานหลวงพ่อค่ะก็โยมก็ยังเพียรอยู่นะคะส่วนสิน่รู้สึกสินข้อ4ีก็จะรักษาได้ง่ายขึ้นนิดนเดียวไม่ต้องท<ต>ุกข์ใจค่ะ ส่วนการทำสมาธินจิตมันไม่ค่อยรวมก็พยายามทาที่หลวงพ่อสอนไไม่รวมก็ทำไปแล้วก็เรามีหน้าที่ทำรวมก็เป็นเรื่องของจิตจิตหลงไปรู้นี่ส่วนใหญ่จะเห็นชัดตอนที่เราไปออเดินออกกำลังกายแล้วก็เหมือนจะเห็นบ่อยขึ้นแต่เวลาลเรานั่งทำอยู่ที่บ้านมันก็อาจจะเห็นไม่บ่อยเท่าไหร่เวลาทำงานบ้านอ่ ะ, ะ, อะใจมันลุ้นไว้ใจเรสร็จสัทีเลยไม่ดูปัจจุบัน ก็คงต้างไป exercise <ะ>บ่อยๆอยากจะได้คำแนะ <c oughs> นำหลวงพ่อคงทําไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เราทำทุกวันนะทําสม่ําเสมอนะคะแต่ไม่รีบร้อนไม่หวังผ ล, วผลลูกลีก้ลุกลนว่าจะเอาอะไรแต่สติในระหว่างงานบางทีมันก็เกิดขึ้นเองบ่อยๆหมายถึงว่าเราทํางานช่วงแป๊บหนึ่งมันก็มาเหมือนกันแล้อย่างนั้นดีแล้วะล้วสติอัตโนมัติค่อยมาไม่ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะทําอีกทำอีกอ้าวใครจะคุยกับหลวงพ่อนะ เอาเท่าที่จำเป็นนะว่ามามัสการมรสการหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตัวเองกำลังสมาธิไม่ค่อยพอก็พยายามทำทุกวันวันละสิบห้านาที ม, มันพอใช้ได้ไหมก็มดีขึ้นแล้วนะก็ต้องทำอีก ร, รู้สึกมันเหมือนจิตมันยอมรับว่าลมภายนอกเกิดดับแต่มันยังไม่ยอมรับว่าจิตเกิดดับับมันเห็นยากพระพุทธเจ้าบอกว่า คนนอกศาสนาพุทธนะเขาเห็นได้นะว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช e, ่ตัวเราเกิดดับได้แต่ไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่เห็นความเกิดดับการดูความเกิดดับของจิตเนี่ยจะดูผ่านเจตสิกหรือไม่ก็ดูผ่านอายตนะดูผ่านเจตสิกก็คือจิตที่สุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่ทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นจิตเกิดดับแต่เห็นผ่านเจตสิก เราเห็นผ่านอายตนะ น, นี่เจ็ดไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตไปคิดเกิดแล้วก็ดับอาศัยตัวอื่นมาช่วยทําให้เราเห็นจิตได้เมื่อตัวจิตเองไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่ให้เห็นได้ด้วยตัวของมันเองนะเมื่อเราดูผ่านอายตนะบ้างดูผ่านเ จ, เ จ, เจตสิกความสุขความทุกข์กุศลนกุศลในจิตกโกรธเนี้ยจิตกโตกรธอยู่ไม่นานจิตกโกรธก็หายไปนี่แสดงว่าจิตกโดดกรธก็ไม่เที่ยง จิตโลภ อ, อยู่ไม่นานก็หายแสดงว่าจิตโลบไม่เที่ยงสุดท้ายก็สรุปขึ้นมาได้่จิตทุกชนิดแหละไม่เที่ยงหจิตทุกชนิดแหละเกิดดับเนี่ยเลยเข้าใจตัวจิตขึ้นมาต้องดูบ่อยๆนะเคยผิดพลาดพังพระรพระทุทธธรรมส่งขอขอมาเออนะดีเดี๋ยวนี้พวกเราขอเป็นแล้วพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเราไม่ได้ขอโอโหสิรกรรมนะกรรมขอกันไม่ได้กรรมทำแล้วต้องรับ น, นมาส ก, การหลวงพ่อค่ะรู้สึกมีแรงแต่ทําไมมันมันออกไปหมดเลยค่ะมันดี ด, ดไปในความคิดตลอดเวลารู้ว่ามันออกรู้วมันออกนะแล้วก็บริกรรมของเราไปบริกรรมเล่นๆไม่ใช่บริกรรมเพื่อจะให้เข้ายังเป็นกลางน้อยมากใช่ใชมันเป็นโมโหมันซะก่อนพอเออพอจเลิญทางโลกค่ะหมายถึงช่วงนี้จะขายของได้ดีเงี้ยค่ะ ทางค่ะมันก็จะหย่อนมันจะนไม่นม่น ไ, มไม่ได้ขัดแย้งกันนะเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้ร้ายไปปล้นเขานี่ปล้นเยอะทํทางธรรมะเสื่อมไม่ใช่เราค้าขายนะเราก็ดูจิต ด, ดูใจของเราไปเรื่อยจะยิ่งขายดีกว่าเก่าอีกนะ <c oughs> บางทีมานมันก็มาหลายรูปแบบนะไม่อยากให้เราภาวนาที่แกล้งให้เรามีปัญหาเศรษฐกิจมากท้อแท้ใจภาวนาไม่ได้หรือพอเราเข้มแข็งนะเราสู้ได้นะมนะันอาจจะกลับข้างเลยให้รว ย, รวยพี่ลึกพี่ล่งเลย วันๆเครียดจัดเลยนั่งนับเงินอย่างเงี้ยไม่เวลาภาวนาใช่เลยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรานับเงินเรื่อยๆเลยมวันน้อยลงเลยคะเราต้องใจเด็ดเดียวนะต้องบริกรรมไวใช่ใช่บริกรรมเหลวงพ่อค่ะเคยหลวงพ่อบอกว่าอย่าบริกรรมอิติปิโสถอยหลังเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่หนูสังเกตว่าจิตมันชอบเราก็มาอเตชอบจเ็เดนะตอบริชบกเลยวอค่ะอบก่อังเะท้ไ่ด้อนแบบหนถัตาอบาคมันาอคะ แต่ถ้าเราท่องอะไรก็ได้ท่องลิงช้างบางชนีอะไรก็ได้นะถ้าจิตมันสงบก็ใช้ได้แหละ <c oughs> นมาส ก, การครับหลวงพ่อพอดีจะลาไปบวชเดือนหนึ่งอะครับจะขอการหลวงพ่อช่วยกรุณาชี้แนะนิดนึงครับไปบวชนะก็ไปเจริญสตินะไปดูตัวเราให้มากที่สุดรักษาข้อวัดรักษาพระวินัยไหมเพราะข้อวัดเจอพระวินัยเนี่ยทําให้เราไม่หมกมุ่นในการปฏิบัติมากนะ เรมีกิจของสงฆ์อะไรก็ทําแต่ทําด้วยความมีสติไปตื่นนอนไหว้พระสวดมนต์มีสติบิณฑบาตมีสติฉันข้าวมีสติอาบน้ำมีสตินะใครเขาว่าไงเขาช่างเขาอย่านึกนะว่าวัดเป็นโลกของอุดมกติวัดก็เป็นโลกโลกหนึ่งคนในวัดมันก็มีกิเลสเหมือนคนทั้งนอกนั่นแหละอย่าไปดูคนอื่นนะแล้วก็อย่าหวังนะว่าบวชแล้วจะดีออ๋ <c oughs> กิเลสไม่กลัวผ้าเหลืองหรอกจะบอกให้ <laughs> ค่ะ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะเข้าที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดติดนิ่งเสร็จแล้วพอกลับไปพระวามันเห็นตัวหนึ่งที่มัน อ, อยู่ระหว่าง อ, อกค่ะแล้วมันเจ็บอยู่ข้างในก็นึกว่ามันเป็นช่วงๆพอพิจารณาไปพิจานามาก็คือจริ ง, รงๆแล้วมันเป็นตลอดเวลาแต่<ถ>แค่ว่าเราเข้าไปเห็นหรือไม่เห็นถ้าเราเนะพ่งไว้นะ้ำจะเจ็บเจ็บได้นะ uh huh. แต่ถ้าเราแค่รู้แค่เห็นมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มันก็จ ะ, จะก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกได้เดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักะสังขารนั้มันปรุงอย่างนั้นแหล<า>ะเราก็เป็นแค่คนดูอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมัน อ, อย่าไปจ้องใส่มันจนถลําลงไปอยู่กับมันนะดูห่างๆดูสบายๆแปลว่าให้ถอยถอยถอ ย, ถอยออกมาดูถอยมาเป็นคนดูเหมือนเราดูคนอื่นนะแต่ไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างแล้วมาดูนะแค่ถอยในความรู้สึกนะว่าอย่าลงไปคลุกกับมันอย่าให้อินกับมัน่ะดูห่างๆ คือบางทีมันก็หายไปสร็จแล้สักพักมันก็กลับมาใหม่ช่างมันช่างมันต้องต้องต้องไปพิจารณามันไหมฮะหรือว่าไม่ต้องไม่สนใจมันไปเลยไม่ใช่ไม่สนใจมันมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่นะมันหายไปก็รู้ว่าหายไปมันหนักรู้ว่าหนักมันเบารู้ว่าเบาถ้ามันปรุงไปช่วงหนึ่งสัญญาเข้าไปแปรนะบางทีก็เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นดีเป็นร้ายอะไรขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยปรุงจากตรงนี้แหละตอนที่มันละเอียดมันจะเป็นความไหวหๆท่านนึง หลวงพ่อเคยเห็นนะทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนนะทั้งเดือนกว่าทุกที่สุดเลยนะตัวเนี้ยเออวลาที่มันทุกจนจนทนไม่ไหวนี่เราจะยังไงดีคะทำสมถะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ทําไปไม่มีที่หลบอย่างอื่นยิ่งถ้าฝึกจนสติอัตโนมัตินะหลับอยู่ก็เห็นนะไหวๆๆอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้มีแต่ทุกข์ล้นล้นเลย หลวงพ่อหนะ้าต่นขนาดวิ่งไปถามครูบาอาจารย์ไถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยุบยิบยุบยิบ อ, อย่างเงี้ยฟังแล้วอใจมันไม่ตกไม่ลงเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวนะก็ได้คําตอบแบบเดียวกันใจไม่ลงนะวันนั้นก็เหนื่อยเต็มทีเลยเห็นมันยยบแยบเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนๆ น, นะเหนื่อยเต็มทีเลยก็บอกกับจิตบอกว่าอย่าจเจริญสติเลยวันเนี้ย ได้โปรดเธอยังมีสติเลยว่ามีสติเราเห็นตลอดเวลาจิตก็ไม่ยอมอ่ะสติมันอัตโนมัติอ่ะเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ไว่าทำสมาธาดีกว่าหายใจทำสมาธาไปพอจิตสงบนั้นถอยออกมาพอออกจากสมาธิมาดูไม่มีความหมายอะไรแล้วแปลว่าถอยจากสมาธิก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าไปคลุกมันไม่เข้าไปคลุกแล้วแล้วอย่างใจใจไม่เข้าไปเสพอารมณ์แล้ว มันจะขาดไปเลยเหมือนมันก็ตัวนี้ผ่านไปแล้วไม่ต้องดูยังโยมต้องเพิ่มในรูปแบบมากขึ้นไหมคะของโยมไปดูใจที่มันยังเล่าร้อนอยู่ใจที่มันอะไรนะคะมันเล่าร้อนเห็นไหมล่ะเห็นเจ้าค่ะออนะให้รู้ทันนะแล้วก็ทำในรูปแบบไปแต่ทำด้วยใจที่สงบสบายไม่ได้เร่าร้อนจะเอาผลอะไรหรอกของโยมติดตรงที่มันร้อนไป อ, อ๋อสะค่ะ นามัสการครับหลวงพ่อก่อนเร่ยนผมขออ่าขอขมาพระตาไตรุ่งแบหลวงพ่อด้วยครับเออนะโอเคพอดีไม่เจอหลวงพ่อตั้งสามสามปีแล้วครับอไม่เป็นไรไม่เจอหลวงพ่อไม่ต้องขอเข้ามาหรอกไม่ใช่ครับก็มันไม่สบายครับไปไปเสวยวิบากกรรมเก่าบางอย่างไม่เล่าแล้วกันครับก็ทีนี้เรื่องการพาวนะก็ หลวงพ่อเคยบอกว่าผมเป็นไม่ใช่พวกคิดมากครับหลวงพ่อบอกให้ไปนั่งสมาธิอืมตอนนี้ผมก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าอยากเคยเคยตามรู้กายแล้วมันได้ผลแต่นี้อยากถามหลวงพ่อว่าการตามรู้กายนี้มันเป็นมันได้สมาธิแหละดูกายไปนะถ้าดูจิตแล้วจิตจะซึมไปไม่ดีดูกายไปเนื้อร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายยิ้มร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นโคนลัาน เป็นการตามรู้หรือว่าดูลงปัจจุบันนะครับดูลงปัจจุบันดูกายดูปัจจุบันมันจะกลายเป็นเพ่งครับถ้ากลับไปทำที่บ้านอย่าให้เพ่งสิแล้วรู้จับเพ่งแล้วใช่ไหม mm hmm. เพ่ง้จิตมันลงไปจับ mm hmm. ดูมันดูผนื่นดูสบายๆฝนะึกต้องฝึกล้วหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีหนึ่งแล้วอะคะ่ะไม่จำเป็นหรอก ค่ะครนี้เมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยหนุคือสมาธิหนูไม่พอคร mm hmm. นี้พี่หมอพี่หมอณัฐนะคะ mm hmm. บอกว่าให้ลองพุดโทรคร mm hmm. นี้หนูหนูพุดโธพุโทโธไปเมื่อเดือนที่แล้วอะคะ่ะ mm hmm. จิตมันรวมเออหนูไปเห็นอาการมันอาการมันหนูตอนนี้มันก็เรือนแต่ตอนนั้นหนูเห็นเห็นการของอาการทํางานของจิตนะคะแล้วมันตีมันเหมือนกับรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. แต่หนูก็ มันมันเห็นเสร็จแล้วหนูก็พอนั่งดูไปได้สักพักพอออกมาคือหนูไม่รู้ว่ามันคือนั่นคือจิตรวมอหนูออกมาแล้วหนูก็อยากเขกตัวหัวตัวเองอะค่ะว่านมันคือจิตรวมแล้วทําไมเราไม่ดูต่ออืแล้วก็มันออกไปแล้วอะเ <c oughs> อี่าไปลําพึงลําพันถืออดีตน ะ, ะหนูก็ไม่ได้ลำพึงแต่ช่วงวอย่าไปคิดว่ามันจะมาอีกค่ะถ้าหวังว่าจะมาจะไม่มาเลย แล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยหนูนั่งก็ได้แต่ดูดูไปแล้วก็เหมือนกับช่วงมันก็สว่างบ้างไม่สว่างบ้างแต่เราหนูก็ไม่ทราบ ว, ว่าหนูติดอะไรหรือเปล่าค่ะให้รู้ทันจิตไปด้วยถ้าสว่างขึ้นมาแล้วพอใจรู้ว่าพอใจมืดแล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรนะให้รู้ทันจิตไว้แล้วไม่พลาดหรอกจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะไม่ว่าจะรู้อะไระรู้ทันจิตไปเจ้าคะ่ะหลวงพ่อครับ ขอโอกาสให้คุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ปีนี้อายุเก<อ>้าสิบสามเจริญอานณาปณสติมาได้สามปีแล้วครับ <ừ> ขอหลวงพ่อได้ชี้แนะด้วยครันก็ให้ทําต่อไปนะทำอาณ า, าปณสตินั่นแหละแต่ว่าให้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะแล้วก็ดูไปสมมุติว่าเราจะเจ็บไข้เราจะตายนะแล้วก็เห็นจําให้ไปบอกแม่ดนะ้วยเพราะว่าผู้เท่าบางทีลืมง่าย ว่าเราหัดหายใจไปเรื่อยแล้วก็มีสติไปเรื่อยถ้าเกิดจะตายขึ้นมานะก็ดูร่างกายมันหายใจไปดูเมื่อไหร่มันหยุดหายใจก็ช่างมันนะเราแค่มีใจที่สบายดูร่างกายมันหายใจไปเรื่อยดูจนกระทั่งมันเลิกหายใจไปเลยขอบพระคุณครับนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะช่วงนี้รู้สึกจิตมันฟงซ่านไหลอยู่ไปกับความคิดทั้งวันเนี่ยคะ่ะก็พยายามนั่งสมาธิ ก็มันก็จะเครียดแน่นแล้ก็ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะดิ้นให้มันหายอืหายฟุง้งก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสวดมนต์ก็จะช่วยได้ช่วยขึ้นบ้างอพอสวดแล้วจิตไหลออกไปคิดอะไรก็จะพอรู้เอ อ, อย่างนี้เรียกว่าฉลาดนะเรารู้อย่างเราน้าสมาธิเป็นรวมมันเข้ามานี่มันอยากดิ้นแรงมันหักหานมันมากไปพามันทํากิจกรรมไปสวดมนต์สวดอะไรก็ดีแล้วละแล้วคอยรู้<ฆ>ทันมัน ก็เลยเปลี่ยนเป็นสวดมนต์กับเดินจงกรมก็จะช่วยขึ้นนิดนึงเหมือนอว่าจิตจะมีแรงขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่า ท, ที่เปลี่ยนเนี่ยโอเคไหมโอเคสิค่ะต้องฉลาดนะอย่างนี้แหละต้องรู้จักเลือกกรรมฐานที่มันเหมาะกับเรากรรมฐานอะไรทำํำรักสติเกิดบ่อยอเย้อนนั้นแหละขอบคุณค่ะนำ้ำวัสดการค่ะหลวงพ่อโอ้ว่ามาก็เจ็ดเดินที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่มีแรงก็ลองเดินจงกร ม, มนะฮะ เคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกเอาก็ดีแล้วล่ะแล้วให้เดินแบบนี้ใช่ไหมคะของหลวงพ่อได้คขอบพระคุณก็ทําทแล้วเจริญขึ้นนึกเอาอย่างนั้นเลยเราต้องฉลาดนะในการสังเกตตัวเองว่าเราทํากรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราเองนงั้นต่อไปเราจะตอบไม่ถูกว่าหลวงพ่อประมวทสอนอะไรแต่เราคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อสอนหลักให้ส่วนวิธีการเราต้องไปดูว่าอันไหนเหมาะกับเราเองนะคือตอนติดนิ่งกับติดซึมดูตัวเองไม่ออกอะฮะหลวงพ่อถ้าออกจะไม่ซึม ถ้ารู้ว่ากําลังซึมอยู่หายเลยนะเพราะซึมมันเป็นโมหะนะตอนนั้นสติจะเกิดไม่ได้เลยไม่มีทางรู้เลยนะงั้นเรามากระตุกกะดิ ก, ก, ระ ก, กระดุกกะดิกซะมันหายซึมพอหายซึมแล้วเลยนึกย้อนหลังไปถึงจะรู้ว่าตอนนั้นซึมขอบคุณค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกกันนะคะ แต่ว่าเคยส่งกับคุณมาลีมาบ้างแล้วอะค่ะครั้งล่าสุดนี้ที่เจอคุณมาลีให้ฝึกแยกธาตุแยกขันนะคแล้ว ก, ก็ดูไปก็รู้สึกบางทีก็คิดนำไปบ้างบางทีก็มีสติระลึกเห็นบ้างเบื้องตนะ้น่ะบางทีต้องคิดนำด้วยซ้ำไปสำหรับบางคนน ะ, ะอย่างพระป่าเนี่ยท่านทาสมาธิมากแล้วอยู่ๆจะมาให้พารณาการแยกออกมามันไม่แยกฉันใช้วิธีคิดเอาเลยด้วยซ้าไป แต่ของเราไม่สมาธิไม่แน่นขนาดนั้นน ะ, ะเราก็คิดบ้างรู้บ้างก็แล้วกันอ๋อค่ะเออแล้วขันขันตัวสุดท้ายวิญญาณขันนะคะยังแยกไม่ออกค่ะหลวงพอ่อวิญญาณขันเราไม่ได้ไปแยกกับใครเราแยกออกจากสังขารขันแยกออกจากเวทนาขันสังเกตไว้ว่ากายเนี่ยเป็นของที่ใจไปรู้อันนี้ดูออกไหมค่ะหรือถนัดดูทางจิตมากกว่าถ้าถนัดดูจิตเราเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นโกลาหลกัน กิเลสกับจิตที่เขเป็นคนละอันกันถ้าอย่างนี้เวลาแยกนะมันก็แยกทีเดียวทั้งทั้งคู่อ่ะอย่างถ้าเห็นกายกับจิตแยกออกมาก็คือแยกจิตออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปหาทางแยกจิตต่อไปอีกนะตอนนี้รู้สึกแน่นๆที่ที่หัวบางทีจะเป็นนะคะหลวงพ่อะจะแน่นก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่รู้ทันใจของเราไว้ ตอนนี้ใจไม่ถึงฐานตอนนี้ใจไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆภาวนาให้รู้ทันถ้ถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้เรื่องได้เราค่ะขอบคุณครับคนสุดท้ายละการหลวงพ่อครับเ อ, อตอนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับบางทีมันรู้สึกตึงๆหรือไม่แน่ใจว่าเป็นการเพ่งหรือว่าเดินปัญญาหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าตึงเนี่ยแสดงว่าบังคับหนึ่ตลอดอะ่ะนะ ถ้าเราไม่ได้เพ่งไว้ไม่ได้บังคับไว้ไม่ตึงหรอกรถ้าเดินปัญญามันจะไม่ตึงหรอกมันจะฟุ้งซ่านนะถ้าสมาธิไม่พอจะฟุ้งซ่านเอาหมดแล้วล่ะนะเชิญกลับบ้าน